Book 2 <23. S 3> <23. S> 2ยี่สิบสามการเรียนภาษาต่างชาติมาซีติสสวิชวาลูเดสคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะค u r ิอุสม คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะไว i ูสปรูตต์อรีโปรตุกัลยูวัลัวดูค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ ja e s, s, <S p, ien, <S ā, <S kit, p r o ุอรินเนดาอุสอิตาลีชูวัลัวดูดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก e s สกตุ ย ū s, <S, ā s, ā gan <S r ī ī <S ā s ā <S u s <S ā r n r ā ย a t ล o ต i l a บ i ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากวาลวเดสอิรซาม่าลีจี d ัสดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีเอสวาลุยุสล a าบิซ t บปรัสต์แต่การพูดและการเขียนมันยากบรูนาอรักตอต ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก Es pieļauju vēl daudz kļūdu. ทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะลู d z u l a b ว j i e t mani v น e n m ē r มาการออกเสียงของคุณดีมากยูสุอิซรุนาอิรก i laba. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย y u s i n e l i a l accent คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน v a r ā ā Var p a k t e no k o r e n i s use s a t ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ g s i r j ū s u d z i m k k ā ā t ā v a l o d a คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ v u ka? s apmete j a t v a l o d k u r s u s คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ c a d u m ā c ī b u l z e k l i j ū s i z man to j a t ตอนนี้ดิฉันจาชื่อไม่ได้ค่ะ Es a c u m i r k l i n e z i n u kā t o s a u c ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะเอสเนว u o, es es a ุอัชเรติสโนซาค u m u ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ e อ to e s m อ a i z อ i r s i s